ฉันพัฒหารเสร็จได้ล้างมือวุนปากเรียบร้อยแล้วพระเจริญจึงรีบไปที่กุฏิหลวงพ่อเดิมป่านนี้ท่านคงเตรียมทำน้ำมนต์ศึกไว้ให้พร้อมสับครั้นไปถึงก็ต้องแปลกใจเมื่อไม่เห็นบาทน้ำมนต์ก้มลงกราบเป็นจางค่าประดิษฐ์ามครั้งแล้วจึงถามพระเดชพระคุณขอรับ เหตุใดจึงยังไม่ทำน้ำมนต์ศึกให้กล่าวกระผมขอรับวันนี้ยังไม่มีฤกต้องรอพรุ่งนี้ภิกษุวัยร้อยสามปีพูดแบบเดียวกับเมื่อวันวานพระหนุ่มรู้สึกผิดหวังและขัดเคืองหากก็ไม่กล้าสแสดงออกจึงได้แต่นั่งซึมเศร้าอยู่อย่างนั้นคุณจะรีบศึก ไปทำไมกันเพ่งบวชได้พันศาเดียวเท่านั้นดูแต่ฉันสิบวชมาแปสิบสามพันษายังไม่เคยคิดจะศึกหลุงพ่อเดิมพูดคล้ายๆจะปลอบใจภิกษุผู้มาจากต่างถิน่นแต่กล่าวกระผมไม่ใช่พระเดชพระคุณหลุงพ่อนิกรับ ผู้อ่อนวกว่ายแยงซุ้มเสียงออกจะแข็งด้วยไม่ศบอารมณ์ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเอาเถอะถ้าคุณอยากศึกจริงๆพรุ่งนี้คอยพูดกันใหม่ถ้อยคำของภิกษุชราทำให้ใจพระเจริญชุ่มชื่นขึ้นจึงรีบบอกหลวงพ่อเดิมว่า พรุ่งนี้เช้าพระเดชพระคุณทำน้ำมนต์ศึกเตรียมไว้เลยนะขอรับศึกหาลาเพศแล้วกล้าวกระผมก็จะขออยู่ที่วัดนี้ไปอีกสักพักเพื่อเรียนคาถาทำให้ผู้หญิงรักถ้าเช่นนั้นฉันจะสอนให้คืนนี้เลยตอนที่คุณหนวดให้ฉันขอบพระคุณขอรับพระหนุ่มประนมมือขึ้นไหวยอย่างนอบน้อม ฉันกำลังจะพาคุณไปดูอะไรในวัดเมื่อวานคุณไปเดินสำรวจมาแล้วเห็นอะไรบางท่านหาอุบายให้ภิกษุหนุ่มเลิกสนใจเรื่องการศึกหาลาเพศเห็นหลายอย่างขอรับแต่กล่าวกระผมไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรเพราะไม่มีคนอธิบายให้ฟังขอรับ เดียวฉันจะอธิบายให้คุณฟังก่อนแล้วกันช่วยไปเรียกเนนมาลากเกวียนได้แล้วพระเจริญจึงเดินไปบอกเนนที่ห้องสามาเนนมาแล้วจึงช่วยกันประคองลุงพ่อเดิมไปนั่งเกวียนขนาดเล็กซึ่งทำขึ้นเมื่อสามปีก่อนเพื่อเป็นภาหนะประจําของท่านนับแต่เดินไม่ได้ สมณเณรวัยสิลากเกวียนเล่มเล็กไปตามทางโรยกรวดภิกษุหนุ่มเดินตามไปติดๆกระทั่งมาถึงศาลาหลังใหญ่พระกับเนรจึงช่วยกันประคองภิกษุชราขึ้นบันไดไปนั่งยังอาสนะข้างบนจากนั้นท่านจึงเล่าประวัติความเป็นมาของวัดหนองโพให้ภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นฟังสมภารองค์แรกของวัดนี้ เป็นคุนพลเท่าทหารคู่ใจของพระเจ้าตาเมื่อได้ช่วยรบกับพมา่าจนกู้ชาติสำเร็จและพระยาตาขึ้นกรองราชเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีแล้วคุนพลเท่าได้รับพระมาหากรุณาโปรด กล่าโปรดกระหมอ่อมให้เป็นคุณหลวงแต่ท่านไม่รับกลับถวายบังคมลาออกจากราชการเพราะเห็นว่าได้ทำศึกฆ่าคนมากจึงอยากบวชลบล้างบาป ก, กรรมซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ก็ทรงอนุญาตคุณพลเทาได้เดินทางมานครสวรรค์และอุปสมบทเป็นพระภิกษุหลังจากนั้นได้มาฟื้นฟูวัดน้องโพซึ่งเป็นวัดร้างและทันก็ได้เป็นสมภารองค์แรกภิกษุคุณพลเทา ท่านได้ทายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ให้สมภารองค์ต่อมาและซืบต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงสมภารองคที่หาซึ่งเป็นอาจารย์ของฉันท่านหยุดเล่ามองหน้าพระหนุ่มรู้ตั้งแต่แรกเห็นนั่นแล้วว่าบุคคลผู้นี้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 สองอย่างหลังทำให้พระหนุ่มตาโตรีบบอกท่านว่ากล้าวกระผมก็เป็นดนตรีไทยแล้วก็เขียนบทให้ลิเกร้องด้วยเขียนเรื่องเท้าปาจิตกับนางออรพิมขอรับฉันรู้ถึงคุณไม่บอกฉันก็รู้นอกจากนี้ฉันยังรู้ด้วยว่าแต่ก่อน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 คนที่หลวงพ่อเดิมพูดว่าคุณเปลี่ยนใจมารักผู้หญิงเพราะเห็นแก่แหวนวงเดียวภิกษุชราดูเหมือนจะล่วงรู้จิตใจของท่านดีกว่าตัวท่านเองซสีอีกพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับทำไมในวัดจึงต้องมีการสอนรำดาบกระบี่กระบองและลีเกด้วยขอรับภิกษุหนุ่มเปลี่ยนเรื่องถาม ไม่เฉพาะลิเกนคุณเพลงถอยเพลงเกี่ยวข้าวลำตัดมอลำฉันก็ซ้อนให้หมดเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ไม่ให้สูญหายนี่ฉันดำเนินรอยตามลุงพ่อคุนพลเทา ที่เป็นสมภารองค์แรกซึ่งทันสั่งเสียไว้กับสมภารองค์ที่สองและซืบอทวงกันต่อมาจนถึงชันแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อถ่ายทอดให้ผู้ที่จะเป็นสมภารองค์ต่อไปหรื อ, อยังขอรับภิกษุหนุ่มถามสายตากวาดไปรอบรอบศาลาซึ่งมีดาบและกระบี่กระบอง แขวนอยู่เต็มบนพื้นยังมีวงมโหรีปีพาดวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบแทนคําตอบภิกษุสูงวัยเปรยขึ้นว่าไอเทาเฝ้ า, ากอบัวเพื่อพมมอรินบินมาแต่ดงดอนเกล้าคลึงเกยสอนสวัสดีมีชัยไอเตา โง่ต่อไปสู้พึ่งพุงมบรินไม่ได้ไอคนในวัดนี่โง่ไกลเกลือกินด่างท่านตั้งใจประชดสามเณรวัยสิผู้มีศักดิ์เป็นเหลนเพราะเป็นบุตรของหลานคนหนึ่งของท่านพระเจริญพอจะรู้จึงถามเนนว่าทำไมเนนไม่ขอเรียนวิชาจากหลวงพ่อท่าน ผมไม่รู้จะเรียนไปทำไมอีกอย่างผมก็ไม่ต้องการเป็นบรรพชิตนี่กว่าจะรอใหอายุครบบวชพระบวชทดแทนข้าป้อนน้ำนมแม่สักหนึ่งพันสาจึงค่อยศึกออกไปหางานทำที่บางกอกนั่นสิผมว่าคนสมัยนี้ไม่มีใครก็อยากบวชจนตลอดชีวิตกันหรอกท่านตั้งใจประชดหลวงพ่อเดิมแต่สำหรับ คนบางคนถึงจะเกลียดพระไม่อยากเป็นพระเขาก็ต้องอยู่ครองผาเลื้องต่อไปจนกระทั่งเข่าเมรุภิกษุชราประชดให้บ้างถ้อยคำของท่านทำให้พระหนุ่มใจแป้วรีบออกตัวว่าคนคนนั้นจะต้องไม่ใช่กล่าวกระผมเพราะวันพรุ่งนี้ กล่าบกระผมก็จะลาสิกขาดวงตาสุขใสของภิกษุชราจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นใจหนึ่งนึกสมเพศแต่อีกใจก็นึกอนุโมทนาที่เขาจะได้ข้ามพ้นวนวังแห่งสงสารสาครก่อนละจากโลกนี้ไปคุณว่าเป็นดนตรีไทยไม่ใช่หรือ เล่นอะไรได้บ้างละ่ะภิกษุชราเปลี่ยนเรื่องถามหวังให้ผู้มาใหม่เพลิดเพลินและลืมเรื่องศึกเล่นได้ทุกอย่างขอรับทั้งรนาดขิมจะเคซออู้ซอด้วงแต่ที่ถนัดมากคือรนาดรองลงไปคือจะเคส่วนกลองและคล้องวงก็พอได้ตอบอย่างภาคภูมิใจ ไปเรียนมาจากไหนละ่ะกล้าวกระผมเรียนหลายที่ขอรักมีครูหลายคนคนแรกชื่อครูสมใจอยู่บางม่วงหมูตอนไปเรียนบางกอกอยู่กับหลวงทาราซึ่งเป็นคุณปู่ของกล้าวกระผมท่านตีรนาฏเก่งเคยเล่นถวายในหลวงรัชกาลที่หกเวลาพระองค์ทรงโขนตอนผมไปอยู่ด้วย ท่านอายุ90้าบแล้วท่านสอนไม่ไหวจึงส่งผมไปเรียนกับลูกศิษย์ของท่านที่ครูจำนงถึงตอนนี้ท่านอดไม่ได้ที่จะคิดไปถึงวันที่เกือบจะต้องเสียชีวิตเพราะหลวงตาผู้ศีลวั ต, ตโนดแต่ก็ป่วยการที่จะเล่าให้หลวงพ่อเดิมฟังต่อมาก็ไปเรียนกับครูสอนศิลปะบันเล่ผมต้องย้ายจากบางแวกซึ่งเป็นบ้านของคุณปู่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 ตั้งแต่ถูเรือนขุดดินลอกท้องร่องรดน้ำต้นหมากรากไม้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นส้มกับต้นมังคุดกระทั่งพญญาครูสอนเกิดเมตตาเลยให้มากินอาหารด้วยกันที่เรือนใหญ่แล้วก็ไม่คิดค่าเล่าเรียนในเดือนต่อมาเสียแค่เดือนแรกเท่านั้นและที่บ้านครูสอนนี่เองที่ผมเออกล้าวกระผมเอาเถอะ แทนตัวเองว่าผมเฉยๆก็ได้ฉันไม่ใช่คนเจ้ายศเจ้ายางภิกษุสูงวัยพูดอย่างนึกเอ็นดูขอบพระคุณขอรับภิกษุจากต่างถิ่นกล่าวขอบคุณแล้วจึงเล่าต่อที่บ้านครูสอนผมได้พบกับครูจุก ข, ขอรับเธอสอนจะเคให้ผมแล้วก็ต่อเพลงหลักให้หลายเพลงเช่นแขกลบบุรี แขกโอทโสมสองแสงขมิ้นใสโยกและราตรีประดับดาวเพลงหลังนี้เป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่เจ็ดขอรับฉันรู้เพราะฉันเองกดชอบดนตรีไทยและเรียนมาตั้งแต่เด็กๆพิกษุต่างวัยรู้สึกจะคุยกันถูกคอเพราะต่างก็ชอบดนตรีไทยเหมือนกันแต่ครูจุกนี่ ยิ่งเหลือเกินนัาขอรับผมต้องกราบกรานขอเรียนวิชาบอกครูจุกครับขอกราบไหว้ครูครับท่านทำท่าทางประกอบคำพูดผมนั่งไหว้มันมันยืนเอามือเท้าสะเอวหน้าเชิดด้วยขอรับทำไมคุณเรียกครูว่ามันพิกษุชราติงท่านเป็นคนเคารพยกย่องครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครูลักษ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 มันบอกเรื่องอะไรจะไปไหว้หนางจุกขี้โมกโปงครูจุกเธอขี้โมกมากขอรับเวลาขี้โมกไหลามาที่ปากเธอก็เอาลิ้นเลียกินตอนผมเป็นเด็กก็เคยทาแบบนั้นมันเค็มๆอร่อยดีพิษุหนุ่มเล่าเรื่องราวแต่หนหลังคุณคงได้เพลงมามากนะสิเพราะถ้าได้เพลงหลักเสียแล้วเพลงอื่นๆก็เล่นได้สบาย ปกติเพลงหลักครูเขาจะห่วงไม่ค่อยยอมสอนให้ใครง่ายๆผมก็คิดอย่างนั้นอย่างเพลงปีพาดเนี่ยครูเขาจะนัดผมไปเรียนตอนตีสี่เรียนคนเดียวแต่ถ้าเรียนกับเพื่อนเขาจะสอนเพลงธรรมดาให้จริงดังที่หลวงพ่อว่าและขอรับพอเราได้เพลงหลักเพลงอื่นๆมันก็ง่าย ผมเล่นได้พันกว่าเพลงขณะที่เพื่อนๆได้กันคนละไม่เกี่ยวร้อยเดี๋ยวนี้ผมยังจำได้ทั้งหมดถึงได่อยากศึกออกไปสอนดนตรีในที่สุดท่านก็มาลงที่เรื่องลาสิกขาไม่เป็นไรถึงเป็นพระก็อสอนได้ไม่จำเป็นต้องศึกผมเกรงจะเป็นอาบัติขอรับภิกษุหนุ่มติง่ง แม้จะเกลียดพระแต่เมื่อต้องมาเป็นพระท่านก็ไม่เคยละเมิดพระวินัยศิขาบทแม้เล็กน้อยท่านก็ไม่เคยละเมิดเพราะมีสมณสัญญากำกับอยู่เสมอมันอยู่ที่เจตนาตังหากถ้าคุณสอนเขาโดยเจตนาบ่อริสุดอยากให้เขามีอาชีพก็ถือว่า เป็นนาทีของบรรพชิตที่จะอนุเคราะห์เอหัพแต่ถ้าขณะสอนคุณเกิดหลงไหลจิตติดค้องในการมคุณหามันก็เป็นบาปคุณต้องทำด้วยความปล่อยวางไม่ยึดติดแล้วจะไม่บาป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 เอามาหัดเล่นลิเกเล่นเรื่องเวสันดอนชาดกตั้งแต่ทศพรจนถึงนครกันคนดูติดกันง่อมแงมเพราะเอ่ยถึงลิเกเทวราชใครใก็รู้จักแบบนี้สมภารท่านก็ไม่บาปใช่ไม่ขอรับถ้าบาปก็คงไม่มากเพราะฉันเอง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 เพลงชอยเขาจะได้มีวิชาติดตัวพระต้องทำประโยชน์ให้กับประชาชนกินข่าวเขาแล้วก็ต้องตอบแทนเขาไม่ใช่มาบวชนั่งนั่งนอนนอนไม่รู้ขังเนื้อขังตายแบบนี้เขาเรียกว่าบวชเสียข่าวสุข เป็นบาปแล้วพวกดาบกระบี่กระบองหลวงพ่อก็สอนให้ด้วยหรือครับภิกษุนุ่มถามอีกก็สอนกันมาตั้งแต่สมัยสมภารองค์แรกอย่างที่ฉันเล่าให้คุณฟังนั่นแหละว่าสมภารองค์แรกท่านเป็นคุ้นศึกพอมาบวชท่านก็ยังชอบการศึก ทรงครามท่านบอกว่าเราต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาเมื่อเกิดศึกสงครามจะได้ออกมาช่วยกันปกป้องชาติบ้านเมืองท่านได้ทายทอดวิชาให้กับสมภารองค์ที่สองและทายทอดกันมาเรื่อยๆ จนถึงชั้นเอาไว้วันไหนวางชั้นจะถ่ายทอดให้คุณท่านสรุปลงเอ่ยที่พระหนุ่มผมไม่เอาหรอกขอรับอยากได้แต่คาถาทำให้ผู้หญิงรักเท่านั้นพระเจริญรีบปฏิเสธหลวงพ่อเดิมมองหน้าภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าแล้วพูดตรงตรงคุณ น, นี่มันโง่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 ก็เหมือนกันนั่นแหละรู้ไว้หลายๆอย่างก็มีประโยชน์ถึงกราวที่ต้องใช้จะได้เอามาใช้ได้คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเช่นนั้นผมเรียนก็ได้แต่รอให้ศึกก่อนนะขอรับ งั้นก็เชื่อได้เลยว่าคุณไม่มีโอกาสจะได้เรียนเพราะคุณจะไม่ได้ซึกประโยคหลังท่านไม่ได้พูดออกมาหมายความว่าอย่างไรขอรับคนถามรู้สึกใจเป้าหมายความอย่างที่พูดนั่นแหละเอาล่ะ ไกลเพลนแล้วท่านจะกลับกุติละท่านหันไปบอกเนนหลานชาทิคท่านหันไปบอกเนนเหลนชายอาฉันกลับไปกุติได้แล้วพระกับเนนจึงช่วยกันประคองท่านลงมาจากศาลาและนั่งเกวียนที่จอดอยู่ตรงบันไดจากนั้น สามเณรวัยสิจึงลากเกวียนพาท่านกลับมายังกุฏิชั้นเพนเสร็จหลวงพ่อเดิมไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะญาติโยมพากันมาจากทิศทั้งสี่มาเช่ามีดหมอบ้างเรียนบ้างนางกวักบ้างตะกรุดบ้างเช่าแล้วก็นำมาให้หลวงพ่อเป่า ท่านก็เมตตาเป่าให้พระเจริญแอบสังเกตว่าเวลาที่หลวงพ่อเดิมเป่าท่านพูดเพียงว่าเพียงดีเพียงดีพร้อมกับเป่าลงไปที่ของเหล่านั้นภิกษุหนุ่มคิดว่าคืนนี้ท่านจะต้องกราบเรียนถามหลวงพ่อเดิมให้ได้ว่าเพียงดีเพียงดีนั้นแปลว่าอะไรกันแน่